พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปพระสูตรที่ส5หโพธิราชกุมารสูตรสูตรว่าด้วยโพธิราชกุมารพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าเนื้อชื่อเพศสักลาใกล้เมืองสุสุมาราคีระแขวนพัก ค, คะโพธิราชกุมารให้สร้างปราสาทชื่อโกกนุษย์เสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ใช้